รรกราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรลบมายังพระอาจารย์วัฒนชัยอาจารย์สุทติศาสตร์พระเถระขอโอกาสเพื่อนซาตุมิกแลนะเจริญพรมายังไม่มชีอุบาสกบาสิกาทุกท่านนะนั่งกันตามปกติ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเย็นของวันพุทธนะที่14มกราคมนะพุทธศักราช2558ก็เป็นวันแรกนะของบุคลากรนะสาธารณสุขนะจังหวัดโคราชนะก็มาเรียกว่าเป็นโครงการประถมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ นะตามโครงการหลักสูตรขร้าราชการที่ดีเทนะ่าที่ทราบจากผู้ประสานงานนะก็มากันประมาณร้อยห้าคนนะก็มีทั้งเภสัชกรมีทันตแพทย์มีเทคนิคการแพทย์นะแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี นะแล้วก็ในนามของวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็มีความยินดีนะแล้วก็ต้อนรับพวกเราอย่างดีนะตามปณิธานด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อคำเขียนนะที่อยากย้ายที่ที่นี้นะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองนะของพวกเรานะท่านมีคมขวัญอยู่ว่านะที่นี่ไม่มีแข ก, กแปกหน้านะมีแต่ญาติที่พึ่งรู้จักกันนะนี่ก็เป็น สิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดเอาไว้นะและพวกเราคนรุ่นหลังก็สืบทอดนะเจตนารมณ์ต่อไปให้วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทุกคนนะจะได้มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ในการที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องชีวิตนะของเราโดยเฉพาะในส่วนของกายในส่วนของใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นะไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลนะเป็นเภสัชเป็นทันตแพทย์นะถือว่าเป็นอาชีพที่ทำบุญนะอย่างที่ได้พูดเมื่อตอนเย็นเราได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะก็มีความทุกข์ทางกายนะเข้ามาหาเรานะเราก็ช่วยรักษานะช่วยพยาบาลนะพอเขาหายเจ็บป่วยนะก็มีความสุขกลับไป นะเราก็มีความปลื้มอปลื้มใจนะที่ได้ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะเป็นความสุขนะที่เรียกว่าสาธารณสุขนะเป็นสุขสาธารณนะเป็นสุขกับคนทั่วไปเป็นสุขกับมวลชนนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าอนุโมทนานะกับการที่พวกเรานะได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้มาทำงานตรงนี้ทีนี้ในการทำงานเนี่ย นะก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราต้องพบกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะซึ่งมีความทุกขนะ์มาหาเรานะบางทีเราก็ต้อนรับนะอย่างดีนะบางทีก็มีเรื่องขัดข้องบ้างนะบางทีเราก็อาจจะบริการได้ไม่ไมเต็มทีนะ่ก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมานะ แล้วก็ภาระของงานที่ทำเนี่ยค่อนข้างหนักนะเท่าที่ตามาได้สังเกตไปใช้บริการนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆนะมีคนไข้ไปกันเยอะมากนะบางทีเราก็รับมือไม่ไหวแต่ก็ด้วยจิตใจที่เสียสละความอดทนนะแล้วก็ความรักในวิชาชีพนะก็ทำให้เราบริการเขาอย่างดีเต็มที่นะแม้บางครั้ง อาจจะมีความอึดอัดขัดเคืองแต่ก็อดทนได้นเรียกว่าพร้อมที่จะให้บริการนาด้วยใจที่ใจที่ดีที่จะให้บริการซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานจิตใจที่สำคัญที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จด้วยดีและก็ชีวิตการงานของทุกท่านเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีทีนี้บางครั้งเมื่อมันมีสิ่งมากระทบกระเทือนใจ บางทีเราก็ปล่อยวางไม่ได้นะบางทีมันก็เก็บไว้ในใจมันก็อึดอัดมันหนักอกหนักใจนะตรงนีน้ก็เป็นความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะซึ่งก็คิดว่าหลายคนนะคงได้พบกับสิ่งนี้ซึ่งเราก็มีทางออกหลายทางนะอย่างเช่นเราอาจจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงนะไป สวนเสฮะกับเพื่อนฝูงนะก็ทำให้เราลื ม, ลมนะเรื่องที่มันหนักอกหนักใจไปได้บ้างนะเป็นช่วงครั้งช่วงคราวนะนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งตรงนี้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำกันอยู่แต่บางทนะีมันก็แก้ไม่ได้นะบางทีมันก็คุ้นคิดนะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนีนะ้คิดถึงความทุกข์คิดถึงความ ไม่สบายนาะต่างๆนาๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงไปเที่ยวก็แล้วไปดูหนังก็แล้วไปคุยกับเพื่อนก็นแล้วนะบางทีมาอยู่คนเดียวเงียบๆมันก็เหางาวนขึ้นมาเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มั น, ม, น, ม, นมันมันมันมีมันแสดงให้เราเห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเราเนี่ยนะบางทีเราก็หลงนะหลงไปยึดไปติด หรือบางทีก็พยายามจะไปผลักให้มันออกไปนะความทุกข์เนี่ยเราก็ผลักมันออกไปความสุขอยากให้มันเข้ามานะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะกลับเข้ามาเรียนรู้นะเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราการที่เรากลับมาเรียนรู้เรื่องภายในจิตใจเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะต้นเหตุของความทุกข์ นะโดยเ่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะความทุกข์ทางกายเนี่ยแก้ไม่ยากหิวก็กินกระหายก็ดื่มง่วงก็นอนปวดเมื่อยก็ผ่อ น, อ น, อนเปลี่ยนอีดียบทได้แต่ความทุกข์ใจจะเป็นความเครียดก็ดีความอึดอัดขัดเคืองความเหงาความว้าวเวยนะสิ่งเนี้ยเราไม่รู้จะแก้ยังไงเราไปแก้โดยการ ไปเที่ยวสวนเสหามันก็ได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะเดี๋ยวพอมันคิกขึ้นมาอีกมันก็เอาอีกนะตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับมาดูที่ว่ามันเกิดจากอะไรเราจะแก้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นในอริยสัจข้อแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้ก็คือว่าโดยทุกข์นะก็คือทุกข์นะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี่แหละส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่พอเจอทุกข์แล้วมักจะหนีทุกข์ นานหนีทุกไปเที่ยวเตะสวนเสฮาก็เลยไม่ได้เรียนรู้ทุกข์เมื่อไม่ได้เรียนรู้ทุกขก็เลยหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นการที่เราจะแก้ทุกขออกจากทุกขได้เนี่ยเราต้องรู้จักทุกขแล้วก็เรียนรู้เรื่องทุกโดยเฉพาะทุกที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเรานะความเหงาความว้าเวยความอึดอัดขัดเคืองนะความโกรธความโลภอะไรต่างๆเหล่านี้ นะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะบ่อยๆเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้จะแก่อย่างไรความทุกข์ทางกายความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยนานๆทีมันเกิดแต่ความเจ็บป่วยทางจิตใจเนี่ยโอ้มันเกิดวันนึงไม่รู้กี่ครั้งถ้าเราสังเกต ด, ดูให้ดีนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะจำเป็นแ ล, ะละ้วล่ะนะที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะความทุกข์ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็หาสาเหตุของมันนะว่ามันเกิดจากอะไรเราจะแก้ไขยังไงมันมีทางออกซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยออพุทธเจ้านะก็ได้พูดไว้เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆท่านะก็ได้สืบทอดต่อมานะจนถึงยุคปัจจุบันเรียกว่ายังมีกลิ่นไอานะของแนวะนะทางนะที่จะออกจากความทุกข์ได้ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถจะทำได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยและไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลี้ลับนะเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ในขณะนี้ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้ไหมว่าเรานั่งอยู่กายที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะเรามีความรู้สึกตัวนะกับกายที่นั่งอยู่นะแล้วก็ใจที่เราตั้งมั่นนะในการที่จะฟัง น, นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้เพราะนั้นการเรียนรูนะ้เรื่องชีวิตเนี่ยง่ายมากๆเลยเรียนที่ตัวเราเนี่ยเรียนที่กายเรียนที่ใจของเราเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเรียนรู้นะเราเรียกมันว่าความรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดนะการศึกษาส่วนใหญ่ที่เราได้เรียนมาจะเน้นให้เราคิดหาเหตุหาผล แต่การจะมาเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเรียนรู้ชีวิตตัวเราเองเนี่ยใช้ความรู้สึกตัวนะหรือภาษาบาลีก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรขณะที่เรานั่งเรารู้ว่าเรานั่งอยู่นะเราได้ยินเสียงนะเราฟังเราได้ยินเสียงอยู่นี่คือสิ่งที่มันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เราฟัง ใจของเราไม่ได้กลับไปบ้านไม่ได้กลับไปที่ทำงานใจมันอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้เป็นความรู้สึกตัวอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะไม่ต้องไปคิดว่าเอมันนั่งอยู่ใช่ไหมหรือมันไม่นั่งนะใช้ความรู้สึกซึ่งความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้มาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็ ก, ดกถ้าเราสังเกตเด็ ก, เ ล, กเล็กนะเขาเรียนรู้ด้วยการหยิบจับสัมผัส มันแข็งมันอ่อนมันร้อนมันเย็นนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณหรือเรียกว่าสติสา ม, มัญความรู้สึกตัวนี้ใช้ในการทำการทํางานใช้ในการติดต่อสัมพันธ์ผู้คนใช้ในการดารงชีวิตตามปกติพอได้ แต่มันไม่พอนาที่จะใช้ในกรณีที่มันมีความโกรธขึ้นมามีอารมณ์ร้ายขึ้นมามีความหงุดหงิดขึ้นมามีความเหงาความว้าเหวมีความกลัวตายขึ้นมาสติตัวนี้ยังใช้ไม่ได้ด้วยเห็ น, นี่เองจึงจำเป็นต้องมาพัฒนาหรือมาเรียกว่าจเจริญทำให้มันไวขึ้น ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะจากสติสามัญเนี่ยให้เป็นมหาสตินะหรือสติใหญ่จริงๆสติใหญ่ไม่ได้หมายถึงว่าปริมาณสติมันมากขึ้นแต่ตัวสติเดิมเนี่ยมันมีความฉับไวขึ้นมันไวต่ออารมณ์ไวต่อความคิดนะไวต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราไวต่อการที่จะรับรู้นาผ่านประสาสัมผัสทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ใจที่คิดนึกนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาพัฒนาภาษาบาลีเขาเรียกว่าภาวนาคาว่าภาวนาก็คือพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาความรู้สึกตัวเจริญความรู้สึกตัวจากความรู้สึกตัวที่มีอยู่สามัญให้มีความฉับไวขึ้นแต่ความรู้สึกตัวมันเป็นนามธรรมาเราจะทาให้มันฉับไวขึ้นได้ยังไง เราจะไปนึกไปคิดให้มันไหวไม่ได้แต่มันทําได้โดยการใช้การเคลื่อนไหวของกายถ้ากายเคยเรียนอาณาปณสติก็ใช้ลมหายใจใช่ไหมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นนะอันนี้ก็คือรู้กายกายที่มันเคลื่อนไหว แต่อีกวิธีหนึ่งนะก็คือการที่เราเอาการเคลื่อนไหวของกายนะโดยเฉพาะที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะเราก็ได้เอาแบบอย่างนาะของหลวงพ่อเทียนนะจิตตสุโพนะเรียกว่าการเจริญสติบแบบเคลื่อนไหวนะคนที่มาใหม่เนี่ยมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยจะแปลกใจว่าเอ๊ะคนเขานั่งยกมายกมือทำอะไรอะนะอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นนี่แหละคือรูปแบบ ของการที่เราจะปลุกความรู้สึกตัวหรือกระตุ้นความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันเกิดความฉับไวขึ้นมาด้วยการเคลื่อนไหวนะซึ่งรูปแบบนี้หลวงพ่อเทียนนะได้นําเสนอไว้เมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็หลวงพ่อคาเขียนได้ก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะพวกเราอยู่ที่นี่เราก็ได้พยายามที่จะสืบทอดกันต่อหรือทํากันต่อในรูปแบบของการเจริญสติ ด้วยการเคลื่อนไหวก็จะมี2รูปแบบใหญ่ๆแล้วก็คือนั่งกับเดินนั่งก็คือการนั่งสร้างจังหวะ14จังหวะที่เราเห็ น, นแล้วก็เดินก็คือการเดินจงกรมการทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายปกติเนี่ยถ้าสติเราไม่ไหวพอส่วนใหญ่นะใจมันจะหลงไปกับความคิด ใจมันจะหลงไปกับอารมณ์ใจมันจะหลงไปกับเรื่องราวต่างๆเรื่องที่เป็นความสุขนะเราก็มีความสุขที่จะคิดถึงมันแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วเรื่องที่เป็นความทุกข์เราไม่อยากจะคิดแต่บางทีมันก็มาตอแย ก, กับเรามาเกาะแกะในใจเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายนะตรงนี้เราไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะนั้นเมื่อเรามาฝึกจเจริญสติ ให้ใจมันอยู่กับกายพูดง่ายๆก็คือว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวคนโบราณก็บอกขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละก็คือการเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพยายามที่จะเปลี่ยนจากใจที่หลงไปกับความคิดใจหลงไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆให้มาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเป็นเรื่องราวเฉพาะหน้าจริงๆ เป็นปัจจุบันจริงๆแต่ถ้าเราไปหลงกับความคิดเนี่ยส่วนใหญ่นะมันก็จะหลงไปในอดีตบ้างหลงไปในอานาคตบ้างหลงไปในอดีตถ้าเป็นเรื่องที่เป็นความสุขเราก็รู้สึกพอใจยินดีน่าชื่นชมนะถ้าเป็นเรื่องความทุกข์เราก็รู้สึกขดหูใจพูดง่ายๆคือใจมันไม่ปกติเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์แต่ถ้าเรา ให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจะสังเกตนะใจมันเฉยเฉยเฉยมันจะปกตินะมันไม่พองมันไม่แฟบมันไม่ไม่ฟูขึ้นมันไม่แฟบมันปกติเฉยเฉซึ่งตรงนี้เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของใจใจปกติเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่หล่อเลี้ยงนะให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติสุขสังเกตสิช่วงปีใหม่เราไปสนุกสนานสุขสําราญบานใจ สุดท้าก็กลับมาปกติหรือมันมีเรื่องอะไรที่มากระทบกระเทือนใจทําให้เราไม่สบายใจถ้าเราช่างมันปล่อยมันไม่ต้องไปคิดถึงมันแต่เราก็กลับมาปกติหรือเวลาเรากโกรธเนี่ยไม่มีหลักเร า, กเรากโกรธทั้งวันเน่ยเดี๋ยวพอหายโกรธมันก็กลับมาปกติเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันจะกลับมาปกติบ่อยๆเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักสภาพอย่างนี้เราไม่ค่อยคุ้นกับสภาพตรงนี้ เราก็เลยไปคุ้นคิดคลั่งครวญเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างนะหรือแม้แต่บางทีอาจจะคุ้นคิดกับปัจจุบันอยู่นะพูดง่ายๆ่าคือมัวไปจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับความสุขจมอยู่กับความทุกข์ใจเนี่ยมันจมไปหรือบางทีใจมันก็ลอยไปลอยไปในอนาคตลอยไปในอดีตใจมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเคลื่อนไหวนะ ใจมันก็มาอยู่ที่กายมันเฉยๆปกตินะมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้แหละนะก็ เ, เรียกว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจเป็นปกติขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะจะเป็นการสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเป็นการเดินจงกรมก็ดีมีเป้าหมายตรงนี้มีเป้าหมายเพื่อที่ใจรู้เนื้อรู้ตัว เมื่อเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวซึ่งเป็นของที่หยาบหยาบมากๆมันเห็นได้ง่ายนะเราเห็นบ่อยๆเห็นแล้วเห็นอีกนะมันก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มันละเอียดเข้าไปเช่นความปวดความเมื่อยนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยใช่ความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเนี่ยมันจะเริ่มแสดงอาการออกมาไอตัวความรู้สึกตัวเดิมนั่นแหละ แต่ว่าเราทําซ้าแล้วซ้าอีกทาอยู่นั่นแหละมันก็จะละเอียดเข้าไปเรียกว่ามันมีความคมชัดขึ้นสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนเป็นตาเนะ่เป็นตาในตาใจคนเรามีตาที่สามเนี่ยทุกคนเลยนะแต่ส่วนใหญ่มันปิดอยู่เรามาเจริญสติก็คือการมาเปิดตาในน่ะเรียกว่าเปิดตาใจให้มันเกิดขึ้น ตาใจที่จะเห็นกายที่เคลื่อนไหวเห็นความปวดความเมื่อยนะเห็นความร้อนความหนาวนะก็ดูตรงนี้อีกทำต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะไปเห็นจิตที่มันคิดนึกความคิดนึกต่างๆความคิดปรุงแต่งต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมา ออสไตน์บอกว่าสิ่งใดไวกว่าแสงสิ่งนั้นจะไม่มีตัวตนความคิดเนี่ยมันไวกว่าแสงแต่มีสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวเพราะนั้นที่เราจะมาฝึกกันเนี่ยฝึกสิ่งที่มันไวกว่าความคิดแต่ขนาดนี้เนี่ยความคิดมันไวกว่าความรู้สึกตัวมันเฉื่อยเพราะนั้นที่เรามาฝึกกันฝึกให้มันจับไวขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพก้างมากขึ้นให้มันไวกว่าความคิด ความคิดเนี่ยโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนะไอเนี้ยก็เรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์สังเกตดูเดีเราทุกข์ส่วนใหญ่นะมันเกิดจากความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดความคิดมี2อย่างนะ1ความคิดตั้งใจคิดอันนั้นคิดทําการทํางานเราใช้เสร็จเราก็วางแต่อีความคิดที่มันมีปัญหามากๆคือไอความคิดจุกคิดจิกคิดไม่จบไม่สิ้นขนาดจะนอนแล้วยังคิดเลยนะ ตรงนี้มันทำให้เรานอนไม่หลับเราเป็นทุกข์ปาะจะนันเราจะออกจากวังวนของความคิดนี้ได้อย่างไรด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เราพัฒนาที่เราฝึกมาแล้วมันจะเป็นตัวที่พาให้ใจเนี่ยออกจากความคิดปรุงแต่งได้เมื่อออกจากความคิดปรุงแต่งได้ใจมันก็จะคืนสู่ความเป็นปกตินี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เรามากัน3วัน4ี่วันใช่ไหม สามวันสี่วันเราจะได้เรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะแต่มันก่อให้เกิดผลหลายอย่างคุณธรรมจริยธรรมอะไรทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นจากตรงนี้เกิดขึ้นจากใจที่มีสติกำกับเราจะทำอะไรไม่ผิดไม่พลาดโดยเพราะงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนถ้าผิดพลาด น, นิดเดียวเนี่ยโอ้ถึงกับชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราประมาทไม่ได้ ดังนะนั้นการที่มาจเจริญสตนะิมาใช้โอกาส3วันนีนะ้ก็จะเป็นโอกาสพิเศษของพวกเราเลยเป็นโอกาสทองเลยนะที่เราจะได้มาฝึกตัวเราเองฝึกใจของเราซึ่งบางทีมันชอบหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะตรงนี้มันก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพทั้งในการทำงานมีประสิทธิภาพทั้งในการมีชีวิตที่เป็นสุข นะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้ภายใน3วันนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราฝึกเจริญสตินะเริ่มต้นจากกายนะมันก็จะเข้าไปเห็นเวทนาที่เรียกว่าความเจ็บความปวดนะความสุขความทุกข์นะทุกทางกายทุกทางใจนะแล้วก็ไปเห็นจิตที่มันคิดนึกอะไรต่างๆแล้วจะไปเห็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่า รรกุศลธรรมอกุศลธรรมนะเดี๋ยวาะ อ, อย่างยิ่งคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันจะเจอกับสิ่งที่เราเรียกว่านิวรณ์ก็คือเครื่อง ก, กั้งกันพวกความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านนะทุกคนต้องเจอมันเป็นทางไปอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในสามวันนี้นะแล้วกลุ่มที่เขาปฏิบัติอยู่ที่นี่เขาก็ผ่านอย่างนี้มาอาจมาฝึกมาก็ผ่านมาอย่างเงี้ยเป็นทางที่เราจะต้องผ่าน เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ได้ได้ไดตั้งใจเนาะแล้วก็เปิดใจที่จะรับสิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจก็ได้เป็นสิ่งที่อยากขัดเคืองใจก็ได้นะตรงนี้ก็ให้เราเปิดใจนะแล้วก็ลองฟังแล้วลองทำดูการฝึกที่นี้เราจะไม่เน้นพูดมากนะพูดน้อ ย, อยแต่ให้ทำเยอะๆให้เราได้เรียนรู้มีประสบะการณ์จริงๆนะเป็น เป็นการเจริญสติในเชิงปฏิบัติการไม่ใช่เจริญสติในเชิงวิชาการแลนะเพราะฉะนั้นพูดน้อ ย, อยแต่ทํามากๆแล้วก็มีสูตรที่จะทำเนี่ยแค่ใจมีสติอยู่กับกายแค่นี้ใจมีสติอยู่กับกายซึ่งนี้อาจารย์ทรงศิลนนะ่ะท่านท่านได้พูดเอาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันนะใจมีสติอยู่กับกายผลลัพธ์เท่ากับปกติวงเล็บศีลนนะันี้เป็นสูตรสําเร็จที่ใช้ได้เลย แล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายนะทีนี้นอกจากเราฝึกในรูปแบบก็คือเดินจงกรมสร้างจังหวะแล้วก็พยายามที่จะเก็บตกกับกิจวัตรประจาวันลองใส่ใจกับสิ่งที่เราทำอยู่เช่นขณะนี้เราฟังเราตั้งใจฟังอยู่นี้เรามีสตินะรู้สึกตัวกับการฟังเมื่อสักครู่นี้เราไหวพระสวดมนต์ เราก็มีสติใจเราตั้งมั่นอยู่กับบทสวดมนต์นะใหม่ๆก็อาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างเร็วไปบ้างช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้ก็คือมีสติกับการสวดมนต์แล้วก็พิจารณาบทสวดไปนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการฝึกสติกับสิ่งที่ทำอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวเราเลิกไปเดินกลับไปที่พักเดินด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวอย่าไปจับกลุ่มคุยกัน เพราะการคุยกันเนี่ยมันจะทำให้มันหลงไปกับเรื่องราวที่คิดหรือพูดพูดให้น้อยๆมาอยู่ที่นี่นะพูดให้น้อยๆพูดเท่าที่จำเป็นอย่าไปพูดมากพูดมากนี่มันเป็นรูรั่วทำให้สติที่เราฝึกมาเนี่ยนะมันรั่วได้เขาบอกเหมือนกับโอง่งอะเราใส่น้ำเข้าไปก็คือเติมสติเข้าไปรูมันรั่วเพราะเราคุยกันนี่มันรั่วละความรู้สึกตัวมันมันมัน มันออกไปแล้วมันออกไปจากตัวล้วมันไปสนใจเรื่องข้าง น, นอกแล้ววันนั้นจะเห็นมีป้ายติดว่างดพูดเพื่อภาวนาใช่ไหมตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ที่เราจะใช้เวลาสาวันเนี่ยให้มันคุ้มค่าแต่ไม่ได้หมายว่าจะไม่พูดเลยนะพูดน้อยๆเดินไปด้วยสติกลับไปที่พักเปิดประตูเบาๆอย่าปึ้งปังปึ้งปั ง, ปงนะต่อเบาเปิดไฟ ปูที่นอนด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวและคืนเนี้ยเป็นคืนแรกอาจจะแปลกที่แปลกทีมานอนไม่เคยหลับนะถ้านอนไม่หลับนะคืนนี้นะนั่งสั้งจังหวะเลยนะเดี๋ยวมันง่วงจนได้เพราะว่าใจมันอกจากความคิดมันจะง่วงนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือใจของเรามันชอบหลอกนะมันหลอกโน่นหลอกนี่โอ้มันมืดอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยให้เรียนรู้เพราะะฉนั้นการเรียนรู้การเจริญสติเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ในรูปแบบนะในชีวิตประจําวันในสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้าด้วย น, นอนให้สบายไปเลยถ้ามันไม่หลับจริงก็หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายวางเนื้อวางตัวเอาผ้าห่มดีๆอากาศมันหนาวนะใส่ถุงเท้าใส่ไอ้หมวกใส่ถุงมือให้มันอุ่นนะแล้วก็หลับปิ้งไปเลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้ตีสามจะตื่น นะอันนี้ก็คือมีสติกับการนอนใช่ไูนี้ตื่นนอนอพอรู้สึกตัวตื่นเนี่ยอย่าเพิ่งลุกทันทีนะหายใจเข้ายาวๆรู้สึกตัวหายใจออกยาวๆบนะปลุกความรู้สึกตัวก่อนอย่าไม่ต้องลืมตานะกระดิกเท้าเล่นกระดิกขาเล่นรู้สึกเนี่ยเนี่ยคือรู้สึกกับการตื่นนอนแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาเก็บที่หลับที่นอนพับให้เรียบร้อย มีความรู้สึกตัวกับสิ่งที่เราทําอยู่เนะเสร็จแล้วก็เอาวางไว้คราวที่แล้วมีนักเรียนฝรั่งมาสองคนเป็นเยอรมันเกจิลี่พักอยู่ตรงกุฏิแถวเดียวนี่ยลุกขึ้นมาพราวหงพ้าหผมไม่เก็บเลยเลี่ยราดหมดเลยปรากฏว่าเป็นไงเข้าไปนอนนะตะขาบมันมกัดตะขาบมันหนาวเนาะดีเป็นลูกตะขาบนะไม่ใช่ตะขาบใหญ่นะอันนี้คือเก็บของไม่เรียบร้อยนะ อันนี้คือไม่มีสติเพราะะฉนั้นเราเก็บไปเรียบร้อยพวกไอสัตว์อะไรทั้งหลายมันเข้าไปเราจะได้เห็น น, น, นี้ก็มีสติเปิดไฟเข้าห้องน้ําเดินไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าด้วยความรู้สึกตัวน้ํามันเย็นรู้สึกเข้าไปแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวเคยไหมเราแปลงฟันไปก็คิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้พรุ่งนี้ลองดูนะแปลงฟันเนี่ยพอมันคิดปุ๊บกลับมาตรงนี้คิดปุ๊บกลับมาตรงนี้เนี่ยสติ แปลงฟันด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวนะพรุ่งนี้ลองฝึกดูนะเนี่ยก็ทำได้มีสติกับการกินบางคนนี่กินไม่มีสติในี่กัดลิ้นตัวเองก็มีนะกัดปากตัวเองก็มีนะรีบกินนะเนาะโอ้เจอของชอบชอบเนี่ยโอ้โหรีบกินใหญ่เลยของไม่ชอบก็ยี้นะเนี่ยมันก็เกิดการพอใจไม่พอใจเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะที่จะให้ได้ผลดีก็คือ ให้ทำทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนะท่านอาจารย์ไพศาลเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆนะท่านถามว่าจะฝึกตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคิดว่าเป็นเวลาราชการนะเนาะดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นหลวงพ่อเทียนบอกตั้งแต่ตื่นยันหลับโอ้ตื่นยันหลับหมายถึงนั่งทั้งยังหัวอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่หลวงพ่อบอก ในรูปแบบนั้นก็ทําแต่ว่านอกรูปแบบก็ทําตื่นมาเนี่ยก็รู้สึกตัวนะการขัดการถ่ายการสวมเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ให้รู้สึกตัวแม้แต่การขัดถ่ายนีย่ก็ต้องรู้สึกตัวนะบางคนขัดถ่ายไม่ดีนี่เป็นลิซิดวงทวานอย่างง่ายๆนะอันนี้เพราะฉะนั้นในนี้ตรงที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีในพระไตรปิฎกไม่ได้พูดเองนะพุทธเจ้าพูดในว่ามหาสติปฐานสูตรก็คือให้มีสติไปในกายทุกเมื่อ นะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำกิจวัตรอะไรก็ตามนะกินดื่มลิ้มนะอุจจระปัสสาวะนะมีหมดเลยย่อยหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้า <c oughs> ผู้ใดทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นลุกโซ่นะพุทธเจ้าก็พูดไว้ชัดนะภายในะอย่างช้าที่สุดเจปีอย่างกลางเจดเดือนอย่างเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึง7วัน นะผลก็คือจะเป็นพผ้ า, ารานหรือผ้านาคาเ ม, มี๊นะแต่เราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหล่ะเอาว่าความทุกข์ในใจเนี่ยมันออกไปหรือเรารู้วิธีการนะที่จะออกจากความทุกข์ได้ได้เร็วขึ้นนะแม้ความทุกข์มันหมักหมมอยู่ในใจนานๆนะหลวงพ่อเทียนนั้นพูดเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าเจริญสติอย่างต่อเนื่องเป็นลุกโซ่เนี่ยอย่างนานสมปีอย่างกลางหนึ่งปี อย่างเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึงเกวันความทุกข์จะลดลงนะสมัยที่ท่านอยู่เนี่ยท่านท่านท้าขนาดอย่างนี้สิ่งที่ท่านท้า น, นี่ท่านไม่ได้พูดลอยๆนะท่านสอนคนมาเป็นบรพันคนแล้วประสบาการณ์ท่านพบว่าคนนี้มาฝึกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆทีนี้เรามาอยู่กันสมวันก็ลองดูเนาะแต่อย่าพิ่งไปหวังผลอะไรทั้งสิ้นทํามันไปเรื่อยๆมีแต่ปล่อยแต่วางนะใหม่ๆเนี่ยมันจะเก๊ก เกงเพ่งจ้องบ้างไม่เป็นไรเราค่อยๆปรับแล้วทำเนี่ยอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเพ่งเกินไปทำสบายๆแต่ทำเรื่อยๆนะผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรเราค่อยปรับนะใหม่ๆมันจะเก่งเก็คเพ่งจ้องเนาะเราค่อยปรับนะตอนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำสําหรับพวกเราที่มาใหม่นะเหมือนกับเป็นการปฐมนิเทศ นะสาหรับผู้ที่มาใหม่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กัน3วันนี้มีเรื่องเดียวคือการเจริญสติการพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้ฉับไวให้รู้เท่าทันกายที่เคลื่อนไหวใจที่คิดนึกใจที่คิดนึกอย่าเพิ่งไปสนใจมันสนใจที่กายเคลื่อนไหวก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นใจคิดนึกเองนะซึ่งอันนีเน้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันใน3าวันนี้ เราลองดูนะ3วันนี้จะเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องหวังผลทำไปเรื่อยๆเนาะแล้วทำไปแล้วมีปัญหาอย่างไรก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนึง น, นี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้เพราะฉะนั้นในการที่มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุขโ ต, โตในครั้งนี้นะก็หวังว่าพวกเรานะคงจะได้รับประโยชนนะ์จากการมาใช้ชีวิตที่นี่นะแล้วก็ขอให้ใช้เวลา ทุกเวลานาทีเนี่ยเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวนะเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองนะการพูดการคุยการสนทนาการไปรู้จักคนนู้นคนนี้เนี่ยเอาเป็นเรื่องที่หลังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรามาในหมู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยพยายามให้เวลากับตัวเองเนาะพูดคุยกันน้อยๆสังสันสนทนาการเนี่ยพยายามลดลงไปเลยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับการฝึก ตัวเราเองแล้วลองดูสิว่าสามวันจะเป็นยังไงนะถ้ามันดีก็เอาไปทําต่อถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเนอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะอะไรในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะ ที่มีอยู่ในตัวเรานะนั้นก็คือพระพุทธพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาทั้งกายและใจและสิ่งที่เราไปสัมผัสแวดล้อมนะต่างๆนะเอาสติเอาปัญญาเข้าไปเรียนรู้พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติหรือการกระทําการเจริญสตินะที่เราจะทํากันต่อไปนะแล้วก็ด้วยความตั้งใจ ความเพียรพยายามความศรัทธาที่เรามีความเพียรนะที่เรามนะีก็ขอให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนนำนะให้พวกเราได้เห็นความจริงของกายของใจหลุดพ้นนะจากความทุกขนะ์ที่มันเคยม า, าทำให้เราไม่สบายนะได้ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร